ยิ่งมาทางธรรมะมากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งมีแรงดึงดูดมากขึ้นเท่านั้นไม่ต้องไปสัรยกรรมทางกายสรรยักรรมทางจิตนี่แหละถ้าหากคุณมีปัจจัยที่มีสเสน่ห์มีความน่าพบมีความน่าอยู่ใกล้ถ้ากระแสะความคิดคุณออกมาแบบที่คุณนั่งแผ่เมตตามีแต่ความสว่างโล่งเปิดกว้างสบาย ไม่มีกระแสของความคิดเบียดเบียนเวลาคนอยู่ใกล้คุณเขาจะมีความรู้สึกถึงแรงดึงดูดไม่ว่าคุณจะหน้าตาเป็นยังไงจะมีคนที่อยากอยู่ใกล้คุณเสมอถ้าหากมีจํานวนคนที่อยากอยู่ใกล้คุณมากขึ้นมากขึ้นคุณจะมีตัวเลือกคุณจะมีความรู้สึกอยากเลือกใครดีอนุญาตให้ใครมาอยู่ใกล้ไม่อนุญาตให้ใครมาวันนี้อะไรต่าง แต่ถ้าคุณไม่มีกระแสดึงดูดไม่มีสเสน่ห์มีแต่คนเขาจะเป็นฝ่ายเลือกคุณเขาจะเป็นคนอนุญาตให้อยู่ใกล้เขาวันไหนนี่คือความจริงของโลกไม่ใช่เรื่องหน้าตาไม่ใช่เรื่องฐานะไม่ใช่เรื่องสเสน่ห์อย่างอื่นที่เป็นของหยาบ ก, กายแต่พูดถึงสเสน่ห์ทางใจถ้าคุณสำรวจตัวเองแล้วพบว่าพ่อแม่ของคุณคนในบ้านของคุณ หรือเพื่อนสนิทของคุณอยากอยู่กับคุณไปเรื่อยๆอยากเจอคุณเรื่อยๆเมื่อเจอคุณแล้วรู้สึกดีรู้สึกสบายใจอยากนัดเจอไม่อยากที่จะขับไล่สส่งไปไหนก็นับเป็นลางบอกเหตุได้ว่าคุณมีสิทธิจะพบรักแท้หรือว่าคู่ครองที่อยู่ด้วยกันตลอดรอดฟังแต่ถ้าหากในทางตรงข้ามมีแต่คนบอกว่าอยู่กับคุณแล้วอึดอาจจัง เมื่อไร่จะออกจากบ้านไปสักทีอะไรทํานองนี้ก็นับเป็นลางบอกเหตุได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้อยู่คนเดียวตลอดไปถ้าหากว่าคุณยิ่งมาทางสว่างยิ่งมาทางธรรมะมากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งมีแรงดึงดูดมากขึ้นเท่านั้นไม่ต้องเป็นศัลยกรรมทางกายแต่สัลยกรรมทางจิตนั่นแหละการศัลยกรรมทางจิต เป็นสิ่งที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้ผลจริงมากที่สุดไม่บอกว่าได้ผลดีที่สุดนะครับแต่ได้ผลจริงๆมากที่สุดหมายเหตุผู้อ่านแต่ก็อย่าลืมเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะครับที่พลังงานทางจิต ท, ที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันและในแง่ของเรื่องศีลเสมอกัน จึงมารักมาเป็นครอบครัวเดียวกันอากจิตไม่ดีก็จะดึงดูดคนไม่ดีและชอบคนไม่ดีได้ง่ายแม้จะอยู่ด้วยแล้วอึดอัดทรมานใจแต่ก็ตัดใจไม่ลงทิ้งไปไม่ได้ตัดไม่ขาดสถิให้ดวนกระทืบทั้งปีก็ยังรักยังหลงหัวปักหัวปำจนถึงวันค่ากันตายไปข้างถึงจากกันได้จริงก็มีให้เห็นในข่าวเป็นประจำเรื่อยมานะครับ